ผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มาพบกันใหม่เรื่องพระพุทธศาสนาช่วยคนคราวที่แล้วได้พูดถึงว่าคนของพระพุทธศาสนาช่วยคนที่คนของพระพุทธศาสนาช่วยคนก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างนั้นระการเกิดมาเราต้องช่วยสิ่งอะไรกันมันจึงจะมีความสุข ต่างคนต่างยื้อแย่งสิ่งกันอะไรกันไม่ยอมรับนับถือในสิทธิซิ่งกันอะรกันโลกก็มีความทุกข์ถ้าทุกคนมีความเคารพในสิทธิในทรัพย์สมบัติซิ่งกันอะกันไม่ยื้อแย่งสิ่งกันอะกันโลกก็มีความสุขแต่สุขน้อยไป <c oughs> แต่ถ้าหากว่าจะช่วยเหลือกันเสียด้วยคือไม่แย่งกันแต่ว่าช่วยเหลือกันโลกจะมีความสุขมากขึ้น แต่ได้ว่าการช่วยเหลือซิ่งกันและกันมันก็ไปขัดข้องกับคนประเภทมือไวเข้าคือมือมือไวประเภทขึ้นราคามากก็ตามหรือมือไวประเภททำลายประวิงเวลาก็ตามมันไรประโยชน์ประโยชน์แทนที่็นได้เข้ามามันก็ไม่ได้แต่ท่านนนไล่เหล่านั้นก็ไปเร่งรัดเงินค่าคืนเงินเดือนบ้างค่าบีเลี้ยงบ้างจากผู้บงังคับบัญชา <c oughs> ก็จากนายจ้างมันก็ไม่ถูกเหมือนกันแปลว่าวงเงินจํานวนนั้นมันก็เป็นคนทั้งชาติเป็นเงินของคนทั้งชาติประโยชน์ที่จะได้เข้ามาก็เพื่อเป็นประโยชน์ของชาติคําว่าชาติเป็นของส่วนรวมเป็นอันว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนแล้วแต่คนที่รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาไม่ค่อยจะมี เราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าจงอย่าเป็นคนมือไวหมายความว่าจะทําลายทรัพย์สินเขาบุนคคลอื่นอย่ายื้อแย่งทรัพย์สินเขาบุนคคลอื่นการประวิงเวลาแบบนั้นมันก็เป็นการยื้อแย่งทรัพย์สินเหมือนกันเป็นการยื้อแย่งโดยปริยายคือไม่แย่งเอาทรัพย์มาแต่ไม่แต่เท่าว่าประโยชน์ที่เขาจะพึงได้มันเกิดไม่ได้ขึ้นมาเสียเวลาไปเป็นเดือน การเสียเวลาเป็นเดือนก็ต้องคิดว่าเดือนละเท่าไหร่สมมติว่าถ้าเดือนละพันบาทห้าเดือนมันก็ห้าพันบาทและการติดการตั้งการนำของมาก็ไม่ใช่ว่จะได้ของฟรีผู้ขอตั้งก็ต้องเสียเงินทุกอย่างแล้วก็แสงเสียแพงเกินปกติอย่างไฟฟ้าสาธารณะช่างไฟฟ้าบอกว่าอย่างนี้ถ้าเป็นราคาอย่างสูงสองหมืรับเหมาได้ แต่ล้วว่าท่านที่จะมาติดตั้งให้ท่านเอาบุญคุณท่านบอกว่านี่ช่วยแล้วสองส่วนนะคุณเสียเพียงส่วนเดียวแต่ว่าคุณจะต้องจ่ายเงินมาสี่หมื่นบาทตอนนี้ดีบรรดาท่านผู้ฟังนี่ใครเป็นคนช่วยเหลือกันแน่เนี่ยเป็ น, นั้นว่าเงินหนึ่งแสนบาทเ่ยเอาไปทําไมกัน ทำไมราคามันยังสูงนักไปเสียค่าอะไรกันที่ไหนผู้รับเหมาไฟไฟ้าเอกชนเขาทำงานเขาต้องมีกำไรแต่เขาขาดทุนเขาไม่ทำแต่เรื่องของหน่วยงานนั้นนั้นเป็นเรื่องเขาหน่วยงานทำไมราคามันยึงแพงนี่เป็นข่าวแต่ความจริงยังแต่ว่าเป็นข่าวที่เขายืนยันว่าต้องเสียเท่านั้นจริงยังไม่มีเงสือออกมา ก็เลยบอ ก, ว, ก, กาาว่าถ้าเสียเท่านั้นจริงก็เลิกไม่ติดไฟฟ้าสาธารณะไม่ติดเพราะว่าถ้าเสียเท่านั้นจริงจริงก็เสียสี่หมบาทก็ไปซื้อไปซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาติดตั้งดีกว่าใช้ราคาแค่เพียงสองสามัน 2, 3, บาทเพราะไฟมันแค่สิบดวงแล้วก็ใช้ค่ากระแสน้ามันไปเมื่อไรมันจะไปหมดสี่มบาทนานนักใช้เครื่องดีเซน ถ้าใช้ใจ่ายคืนหนึ่งก็ไม่ถึงสิบบาทมันก็ไม่ช้ำใจดีกว่านี่ในะเรื่องทั้งคนมือไหวมันทำลายประโยชน์ของวัฒนธรรมศาสนาพระมหากษัตริย์ประปวงชนชาวไทย ห, ไหมายกว่าว่าถ้าชาติมันจะเจริญขึ้นมาหน่วยจุดได้จุดหนึ่งจเจริญขึ้นมามันก็สร้างความชื่นใจแก่บรรดาประชาชนแถวนั้นเป็นนั้นว่าหน่วยงานนี้ไฟสายนี้เดี๋ไม่ต้องใช้กัน เดินไม่กัไปตามทรรมตามปกติความจริงมันก็ไม่ไกลจากโรงพยาบาลมาถึงสำนักงานของผู้พูดเท่านั้น <c oughs> แต่ความจริงน่ะต้องการจะใช้เป็นสาธารณะจะเสียสตางค์กันเองข้คณะของผู้พูดจะร่วมกันเสียเงินให้แต่ถ้าว่ากนายเห็นใจของหน่วยงานค่าหน่วยนี้ค่ากระแสไฟฟ้าอื่นอาจยืดยาตบอกไม่ถูก เพราะนั้นว่านี่จุดหนึ่งท่านเห็นแล้วด้วยอย่างว่าที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พระพุทธศาสนาคือคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองสอนไว้ว่าจงอย่ามือไว้อย่าทําลายประโยชน์ของบุคคลอื่นในเมื่อประโยชน์มันถูกทําลายขึ้นมาจุดใดจุดหนึ่งมันก็กระทบกระเทือนบุคคลทุกเป็นสาธารณะทั้งหมด ว่อะไรงานสาธารณะนี่ช่วยให้ไม่รืไม่จํากัดบุคคลใครก็ตามผ่านทางนั้นเขาไม่ได้เก็บเงินเก็บทองไม่ได้ติดไว้โดยเฉพาะเฉพาะจะต้องใช้เป็นส่วนตัวติดข้าถนนทุนทางนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วทําไมละ่ะที่ต้องทํากันอย่างนั้นนี่ผลที่เนื่องจากมือไหวทําลายประโยชน์เป็นส่วนสาธารณะเป็นอย่างนี้ ถ้าทุกคนรับความช่วยเหลือขององค์สมเด็จโต ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าต่างคนต่างร่วมงานกันต่างตนต่างช่วยกันไม่ทำลายผลประโยชน์สิ่งกันเลยกันโลกจะมีความสุขหรือโลกจะมีความทุกข์แล้วการที่พูดมาจากวันก่อนก็ดีวันนี้ก็ดีเห็นได้อยังว่าโลกมันมีความสุขและมีความทุกข์นี่ในหน่วยของพระพุทธเจ้า คือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกคนจงมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันนอกจากจะเมื่อไม่มือไวแล้วก็ช่วยกันแสดมีเมตตาและกลรุณาตามสองประการตามที่พูดมาแล้วเมตตาความรักซึ่งกันและกันกรุณาความสงสารซึ่งกันและกันผูพ้พูดนี้เองถ้าเคยเป็นหัวหน้างานเรื่อในการสร้างโรงเรียนมาตั้งสมัยก่อน สร้างวัดสร้างวาเป็นสาธารณะที่ก็บอกว่าสร้างวัดนะั่สร้างไปทำไมความจริงมันเป็นนโยบายอย่างหนึ่งที่จะรวมใจคนถ้าไม่สร้างวัดขึ้นมาก่อนคนก็ไม่รวมกันเมื่อสร้างวัดขึ้นมาแล้วโรงเรียนก็ได้ตามไปก็ไม่ใช่แต่เพราะโรงเรียนในวัดนั้นวัดเดียวเป็นโรงเรียนอีกหลายวัดในะสมัยก่อนเราช่วยกันทา ทำได้เพราะอะไรเพราะว่าทางราชการช่วยเงินครึ่งหนึ่งและผลที่การในการก่อสร้างก็คือไม่เต็มราคาเวลานี้แต่หากว่าถ้าทางราชการจะลองใช้ในโยบายแบบนั้นดูว่าโรงเรียนที่จะสร้างขึ้นก็ดีโรงพยาบาลก็ดีสุขสราลก็ดีอะไรก็ตามที่เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ถ้าหนนหนทางบ่อน้ําก็ดี อาจจะจะลองทําแบบสมัยโบราณดูว่าถ้าหากว่าทางวัดหรือว่าทางเอกชนทําได้และก็ต้องทําตามแบบตามแผนจริงๆไม่ใช่โมเมโปเปตานังสมัยการสร้างโรงเรียนสมัยนั้นก็ทําตามตา ม, ตามแบบก่อนที่ทางราชการจัดจ่ายเงินครึ่งหนึ่งให้ก็ต้องมาตรวจก่อนเมื่อถูกแบบถูกแผนแล้วจึงจะจ่ายเงินให้ อย่างนี้ลองทำกันใหม่เรียกว่าเอาคนรวมคนเอาคนช่วยคนส่วนใหญ่ของอะไรก็ตามถ้าจะสร้างขึ้นแต่บุคคลที่มีส่วนที่จะใช้มีส่วนเป็นเจ้าของ้วยของนั้นมันจะสุดโทรมยากซึ่งไม่เหมือนกับทางหน่วยรยาชการตั้งงบประมาณมาซึ่ครบเลยเมื่อตั้งงบประมาณมาครบมาทากันเขาก็ถือว่านี่เป็นของราชการ เมื่บริ่งจะแตกเสาจะผุฟ้าจะทะลุเขาก็รอราชการแต่ว่าชาวบ้านมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งเขาจะถือว่าสิ่งนี้เขาเป็นเจ้าของเมื่ออะไรมันผุพังลงไปแล้วไม่ดีลงไปเสียหายลงไปเขาก็จะรวมตัวกันรวมใจกันเข้ามาซ่อมมาแซมของเขาเองความจริงนโยบายแบบนี้ของสมัยรัฐบาลรุ่นเก่าโน้นถอยหลังไปประมาณ30สปี ผูพ้พูดเห็นว่าเป็นเรื่องดีเรื่อประชาชนได้มีโอกาสสร้างความเจริญในเขตของตนไม่ใช่จะมารอเฉพาะแรงของทางรัฐบาลเท่านั้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่พระพุทธศาสนาสอนไวแต่ว่าคนที่รับการการที่ได้รับคำคำช่วยเหลือทางพุทธศาสนาขาโทษ พระพุทธศาสนาช่วยคนแล้วช่วยให้มีความรู้จักรักกันมีการสงสายกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันแต่เนา ว, ว่าคนผู้รับความช่วยเหลือเขอ้ามาศาสนามีแล้วกี่คนถ้าต่างฝ่ายต่างจะเกื้อกูลกันแบบนี้มันจะมีความสุขและมีความทุกข์นี่พูดเรื่องมือไว้ถ้ามือไม่ไว ถ้าเราเป็นคนมื อ, ม, อ, ม, อมือไม่ไวไม่ไม่เยอะแยะทรัพย์ประโยชน์เขามคนอื่นใจมันก็เกลื้อกลุนกัน <c oughs> หรือถ้าไม่มุ่งเป็นศัตรูกันมันก็เป็นมิตรกันให้ความเป็นมิตรนี่เกลื้อกลุนกันท่านเรียกว่าบรรัณฑิตนี่จุดหนึ่งในเรื่องหนึ่งที่ผู้พูดพยายามจะทําก็คือเดินเข้าป่าที่กันดารมามาก ไปมาทุกปีเห็นในแดงกันดานต่างๆขาดน้ําสัตว์พาณนะแม้แต่เจ้าของเองเนี่ยจะกินจะอาบก็ยากสัตว์พาณะซึ่งมันเป็นตัวใหญ่กว่ามันก็ลําบากในการกิ่งการใช้น้ําแล้วมันก็ต้องใช้มากไม่เมื่อเจ้าของไม่ค่อยจพอกินพอใช้สัตว์จะไปยังไงสัตว์ตัวมันใหญ่ถ้าเกิดความลําบาก นพยายามชักจูงบรรดาพเพื่อนที่รักหรือว่าคนที่รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนามีจิตมีมจิตเ ม, มตมตาพเพื่อนมนุษย์ด้วยกันชวนกันขุดบ่อน้ำในที่แดงกันดาลต่างๆทำมาแล้วเป็นร้อยบ่อแต่ผลน้สุดการชักชวนก็มีผลถึงใช้กำลังไม่มาก จึงแค่ชี้เหตุชี่ผลว่าที่ตรงนั้นอดน้ำคนก็อดควายก็อดวัว ก, ก็อดช้างม้าก็อด <c oughs> ในเมื่อคนไม่ค่อยจะมีน้ำใช้วัวควายจะกินอะไรกันถ้าเป็นอย่างนี้ปล่อยไปอย่างนั้นประเทศชาติเราก็จะมีได้ความสุขสมคนทุกคนมีความลำบากวัวควายมีความลำบากผลประโยชน์มันจะเกิดจากอะไร การทำไรไ่ไถนาต้นใช้สัตพานะในเมื่อมันไม่มีน้ำอยกินมันไม่มีน้ำจยอาบมันจะมีแรงที่ไหนมาทำงานเมื่อสัตพาณนะไม่มีแรงทำงานผลงานมันก็ไม่เกิดผลไม่จะเกิดกับคนก็มีน้อยกว่าแรงงานของสัตว์และแถมคนเองก็ไม่ค่อยจะมีแรงเพราะน้ำบางบางถิน่นมีบุคคลคนหนึ่งต้องหาน้ำคนเดียว ว่าคนนั้นไม่ต้องทำงานอย่างอื่นเป็นผู้จัดห า, าน้ำเพราะก็จะได้น้ำมาจากแตงไกลนี่ก็ทำกันทำกันก็รู้สึกว่าง่ายคนที่รับความช่วยเหลือจากพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะมีน้อยก็ยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้น <c oughs> แล้วมีตอนหนึ่งใกล้ไกลถ้าจำไม่ผิด <c oughs> ไม่ทราบว่าจะเป็นเดือนธันวามกราหรือกุมภาน่าจะเป็นเดือนมกรากำลังนี้ได้รวบรวมคณะไปที่จังหวัดสุขโขทยัยตอนนั้นท่านผู้วริการจังหวัดร่วมอยู่ด้วยปีพศ2520ถ้าไม่ใช่นั้นก็เป็นปสพศ2519จำเดือนไม่ได้เพราะขี้เกียจเปิตํารา ไปในแดนไกลเขียดสุขโขไทยเห็นว่าทางสุขโขไทยแดงไ ก, กลๆอดน้ําแต่ความจริงทางสุขโขไทยขอน้ํามาเพียงสามบ่อบ่อน้ํามาเพียงสามบ่อนิธีการที่จะขอกันก็ชักชวนบรรดาท่านาหลายที่ความมีความรักในบนรรพบุรุษของไทยบอกว่าไปบูชาความดีของบรรพบุพรุษของเราที่สุขโขไทย ท่านนาไหลาก็พากันไปไม่มากนักใช้รถบัรประมาณหกคันเสร็จแล้วมีรถเก๋งบ้างพอไปถึงแล้วก็บอกว่าชาวสุขโขทัยต้องการบ่อน้ำพูดเท่านั้นเองคำเดียวพอต่างคนต่างทำกันไปทำกันมาปรากฏว่าได้เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเสร็จ ตีราคาค่าบอ่อน้ำบอ่อนละสามพันบาทก็มอบให้พู้ว่าในการจังหวัดสุโ ข, ขทยัยเอาไว้จการส่วนที่เหลือเห็นว่าที่ไหนเหมาะสมทําที่นั่นนี่มันดาท่านางหลายการสามัคคีกันแบบนี้พระพุทธศาสนาสอนแทนที่จใจรักใหก่โมยยื้อแยงคอยกงสิ่งกันเลยกันแต่ได้ว่า เมื่อไม่คดไม่โกงมายื้อแย้งไม่รักซึ่งกันแล้วไม่รักขโมยสิ่งกันแล้วกันแล้วให้ช่วยเหลือกันด้วยงานทําอย่างนี้ก็เห็นว่าไม่ยากถ้าเราจะทำกันแต่วิธีที่การยี่หดบอ่อ น, น้ํานี่เหมือนกันมีนโยบายอย่างหนึ่งว่าส่วนพวกเราให้แต่เพียงวัตถุหมายความวัตถุจะมีอิฐหินทรายปูนแหล็กอะไรก็าตามที่จะ ก, กรุบบ่อน้ําเราให้ แล้ ว, ว่าสำหรับแรงงานที่จะขุดบอ่อน้ำเราไม่ให้ทำไมจึงไม่ให้เพราะว่าถ้าให้แล้วคนทั้งหลายเา่านั้นจะถือว่าบอ่อน้ำนั้นไม่ใช่ของเขา <c oughs> เขาจะไม่มีความรัก <c oughs> ให้เขาช่วยกันในด้านแรงงานคือขุดบอ่อน้าเอง <c oughs> ทุกสถานที่เขาก็เต็มใจและบางรายก็เงินมาสร้างมาเสริมทำบ่อท่าสวยน้าท่ามีกินกันตามสบาย นี่การที่ไม่มือไว้แล้วก็ไม่ไม่มือไว้ยืชชกชกชิงวิ่งเรายื่อแย่งทรัพย์สินชาวบา้านนะคดโกงเปลววิงเวลายิ่งไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าก็สอนต่อว่าให้เมตตาสิ่งอะไรกั น, ลกนแล้สงสารสิ่งอะไรกันก น, <c oughs> นี่ความจริงกิจอย่างนี้แต่หากว่าทางราชการใจการสนับสนุนกับวัด แม้ว่าจะสร้างโรงพยาบาลสุขศาลาสถานที่สาธารณะตามที่กล่าวมาแล้วอะไรก็ได้โดยตั้งทุนตามความเป็นจริงในงบประมาณไว้ว่าแบบนี้ทางราชการที่จะสร้างประมูลใช้เงินเท่าไหร่นกามอบให้แก่วัดที่มีความสามารถครึ่งหนึ่งแต่การมอบก็ไม่ควรจะมอบเงินสดไปเลยให้ทำจนเสร็จ ว่าเสร็จแล้วตรวจด้วยแล้วแตถ้าตรวจก็ตรวจให้มันตรงไปตรงมา <c oughs> ว่าเป็นไปตามแบบแต่พราทัดดีกว่าแบบแล้วก็รับเลยถ้าทําดีเพียงแบบที่ออกกําหนดมา ก, ก็ดีหรือว่าแข็งแรงกว่าแบบก็ดีรับได้เลยเรื่องการสร้างโรงเรียนนี้เคยเจอมาแล้วเหมือนกัน บางทีแบบเขาออกมาแบบนี้ก็ไปทำทา ท, ทุกอย่างตามแบบแต่มันดีกว่าแบบบางคราวก็ไปสร้างไปเสริมอะไรให้มันดีไปกว่านั้นที่สิ่งนี้ว่าสมควรที่แบบไม่มีแต่ตอนท่านพูดน้อยเจ้าหน้าที่ชั้นพูดน้อยทำไมโกรธตอนเอะอะโวยวายว่าตรงนี้ไม่แบบไม่มีตรงนั้นแบบไม่มีอะไรของท่านก็ไม่ทราบ ทำทีเปนว่าจะไม่ยอมมอบเงินเครื่องหนึ่งที่ทางราชการให้หนู่นสมัยโน้นถอยหลังไปนานแล้วเรื่องมันก็ต้องถึงคั้ราการชั้นผู้ใหญ่เมื่อถึงขั้ราการชั้นผู้ใหญ่ระดับประราดจะสวงมาถึงมาถึงเกิดกอบอกขอบใจว่าความจริงแบบทําให้เท่านี้ท่านทํายาออกไปอย่างนั้นเสริมอย่างนี้นี่มันเป็นของดีแล้วดูวัตถุ ก, ก่อสร้างก็แข็งแรงใช้ได้ดีท่านรับ ไอเรื่องนี้ก็ต้องคิดจะไม่ด้วยถ้าเรืก่การก็ควรอย่คิดนบัรดาท่านนานหลายที่รับฟังก็ควรอยคิดว่าถ้าเขาทำดีกว่าแบบโดยไม่แต่งไม่เติมทำให้รูปให้รูปทรงเสียไปแต่ว่าถ้าจะมีอะไรมากกว่านั้นเพื่อความสะดวกที่เรียกกว่าสุขพัณฑ์หรือว่าบางทีให้เงินมาจะพาะสร้างโรงเรียนหรือว่าสร้างโรงพ บ, บาลถ้าโรงเรียนเขาเกิดสร้างโรง อาคารสําหรับบริโภคอาหาร <c oughs> อาคารสําหรับฝึกงานสถานที่เล่นกีฬาแนื่ว่าเห็นที่ส่งมากก็ไอ้ส่วมมันก็มีน้อยเกินไปก็ทํามากขึ้นมาถ้าดัดแปลงส่งส่งเสริมให้มากขึ้นอย่างนี้เด็ก็ขอได้โปรดสั่งเจ้าหน้าที่ของท่านด้วยว่าอย่าทําลายศรัทธาของบุคคลผู้ทำเพราะว่าเขาทําดีควรรับแต่ความจริงเขาทำไม่ค่อยดีก็ควรรับ เพราะเทาที่ทราบมาการประมูลกันในการสร้างโรงเรียนโดยเฉพาะเคยทราบมา บ, บางมันมีบางอย่างที่อะไรจะไม่ครบไม่ทวนแต่ก็รับกันได้เหมือนกันเพราะุโวมกันได้และการก่อสร้างขาคาบางทีก็มีคนมาแจ้งบอกว่าเรื่องไม่เกิดอย่างนั้นอย่างนี้ที่มันไม่ครบหมายความผู้ทําทําไม่ครบตามแบบตามแผน ให้ทำทุกอย่างนะมันครบแต่วัตถุไม่เหมือนกันมีคุณค่า อ, อ, อ่อนกว่ากันก็พออนโลมได้แต่ว่าการที่จะให้เงินครึ่งหนึ่งก็ควรหะให้เท่าเดิมคือคุณค่าสม่าเสมอก็แบบที่ออกมาอย่างหนึ่งได้บริการหนึ่งแท่ดีกว่าด้วยก็รับได้อย่างนี้ผู้พู ด, พดเห็นว่าเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในการเกือกูลซึ่งกันและกัน เมตตาความรักที่เขาจะทําทําได้อํนานาจขความรักสองกรุณาความสงสารสร้างโรงเรียนก็หมายถึงว่ารักลูกรักหลานรักพวกรักพ้องกันในเขตนั้นแด้สงสารเกลง้งเดยกเพ่าจะเดินทางไกลเกลินไปสร้างสุขสล า, ราสร้างโรงพยาบาล <c oughs> <c oughs> ก็ว่าเพราะมีความรักซึ่งกันกันในฐานะที่เป็นคนเหมือนกัน และสงสารเห็นว่าไอ้การป่วยไข้ไม่สมบายไปลําบากโรงพยาบาลก็อยู่ไกลเมือ่อค่เขันแล้วก็จะไปหาเจ้าหน้าที่ไปลาบากพานะก็ไม่มีถ้ามีสุขเสราหรือว่าโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆกามจีงสุขเสราโรงพยาบาลเล็กๆ ก, ก็มีความหมายคล้ายคลงกันอย่างน้อยที่สุดก็จะได้เป็นด่านแรกที่จะบรรเทาทุกขเวทนา นี่ทางพระพุทธศาสนาสอนให้รักกันสอนให้สงสารกันทำได้แต่อย่าเอากันจริงๆแล้วก็ผู้พูดเห็นว่าทำได้เพราะกําลังใจของคนในพระพุทธศาสนาพร้อมแล้วที่จะทำแต่ยังขาดอย่างเดียวคือการไว้วางใจของหน่วยราชการ <c oughs> แต่ว่าท่านหน่วยราชการไว้วางใจถอยหลังกลับเข้าไปยังเมื่อระบบประมาณสาสิบปีเศษอย่างนี้ผู้ผู้เกณฑ์ว่าความเจริญรุ่งเรืองจะมีมากขึนกว่านี้แต่สมัยนั้นก็ให้กําลังใจพระผู้ธรรมไม่ได้มีอะไรมากเลยทางคณะสงฆ์ใครสร้างโรงเรียนขึ้นมาหนึ่งหลังให้พระครูประทวนซึ่งมันไม่มีความหมายอะไร แต่ก็เป็นกำลังใจของบุคคลผู้ทำและชาวบ้านที่ร่วมกันจัดทำก็ต้องรักโรงเรียนดังนั้นถือว่าเป็นเจ้าของเป็นอนุนว่าการกระทำอย่างนี้ทั้งหมดเป็นบทที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในพระพุทธศาสนาให้มีเมตตาปราณีซึ่งกันและกันฉะนั้นหากว่าท่านทั้งหลายที่เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลก ความจริงส่วนที่มาพูดนี้เป็นส่วนน้อยเต็มทีที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกก็เป็นอันว่าถ้าเราต่างคนต่างช่วยกันช่วยกันสร้างช่วยกันเสริมช่วยกันทำความดีงานทุกอย่างอย่าให้มันล่าช้าจนเกินไป <c oughs> และคุณค่าของสมบัติที่ทำขึ้นมานั้นให้มันคงตัวคงรูปราคาใยไห้สูงของใยเสียเวลาให้ช้า ต่างคนต่างไว้วางใจซึ่งกันและกันต่างคนต่างซื่อสัตย์สุจริตซึ่งกันและกันต่างคนต่างยอมรับนับถือในทรัพย์สินของแต่ละ บ, บุคคลต่างคนต่างเกื้อกูลมีความรักมีความสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกันโลกนี้จะมีความสุขหรือโลกนี้จะมีความทุกข์เท่าที่พูดมานี้เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาให้คนสงเคราะห์กันให้คนรักกัน พระพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วแต่ว่าชาวโลกที่รับความช่วยเหลือของพุทธศาสนามีแล้วกี่นายมีมากเท่าไหร่ความจริงเวลานี้ทางพุทธศาสนากําลังคึกคักก <c oughs> าลังรวมตัวกันมากเห็นว่านักบุญส่วนใหญ่ไปแสวงหาบุญกันไม่จํากัดสถานที่ อยู่ในกรุงเทพออกไปต่างจังหวัดสุดแดนไกลบางทีคนอยู่ใต้สุดมาหาพระเหนือสุดคนอยู่เหนือสุดไปหาพระใต้สุดนี่สแสดงว่าบรรดาชนประชาชน ช, นชาวพุทธกำลังร่งรวมใจร่วมสาความสามาคัคคีซึ่งกันและกันแต่ว่าในเวลานี้นั้นถ้าหากว่าทางราชการหรือหน่วยงานใดๆ ต้องการผลงานจากความสามคัคคีแต่แต่ว่าให้เจ้าของเงินทั้งหมดเป็นเจ้าของในการร่วมงานก่อสร้างนั้นๆที่เป็นส่วนสาธารณะประโยชน์ผู้พูดเองเห็นว่าจะมีคนมากการก้าวหน้าในด้านของความสุขจะมีมากขึ้นไปกว่านี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ถือว่าโลกจะไม่ได้ช่วยตัวเอง แต่เห็นว่าเคยพูดกันมาว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกแต่ความจริงช่วยอยู่แล้วแต่รอคนพอรับความช่วยเหลือเท่านั้นว่ามาอะไราท่านยิงจะต้องการถ้ามีความต้องการมาอะไราบอกกันให้พร้อมเพรียงกันก็คิดว่างานทุกอย่างที่ต้องการความเจริญของชาติมันจะเป็นของไม่อยากนักอะไรสําหรับวันนี้ มองดูเวลาก็หมดแล้วต้องขอลา ก, ก่อนขอความสุขสวัสดิีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผุนผลจงมีแด่บรรดาท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี